ถึงไหนแล้วจำหัวข้อได้กันยังดิอันนห้ขึ้นข้อห้านะอันนันข้อที่หนึ่งว่าไงข้อที่หนึ่งคือกลาจากกิเลสเนี่ยนะพร้อมทั้งวาสนาข้อสองกำจัดคือฆ่าสึกคือกิเลสเนี่ยนะด้วยอริยมรรคทั้งนั้นเลยข้อสามหากสีกรรมแห่งสังสารจักข้อสี่ เป็นผู้ควรแก่บูชาเนี่ยนะด้วยปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะด้วยปัจจัยด้วยสักการะเพราะว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมควรแก่เครื่องสักการะเป็นต้นนี่มาขึ้นในหน้าสิบสี่นะกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะไม่มีที่รับในการกระทำบาสนี่น ะ, ะกระความแม้แต่บา ป, ปรกรรมในที่รับไม่มีเลยไม่แอบทําำความชั่วในที่ที่รับ หรือที่เร้นหรือณนะที่ใดสักแห่งเลยทีนี้มาพูดถึงว่าคนทั่วๆไปก่อนนะคนที่ไม่ใช่พระอรหรันต์ว่า ง, งั้นเด็กพูดถึงผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์โดยมากเนี่ยนะผู้ที่ถือตัวเองว่าเป็นบัณฑิตย่อมทํำบาปในที่ลับเพราะกลัวเสียชื่อเสียงฉันใดว่า ง, งั้นพระผู้มีพระภาคย่อมทรงกระทําดังนั้นในบางครั้งก็หาไม่คนคนที่ที่สําคัญว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยนะ ค้ายว่ารักษาภาพโพสตัวเองมาค่อนข้างยาวนานตลอดมันอยากจะทําบาปบางอย่างเนี่ยนะก็ไม่กล้าทําบาปในที่สาธารณะชนอย่างเงี้ยเหมือนกับคนบางคนเนี่ยนะบอกว่าตัวเองไม่ดื่มสุราเลยอย่างงี้ยบอกเลยว่าไม่ดื่มสุราแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไปแอ บ, บดื่มในสถานที่ที่บางแห่งเนี่ยนะที่ไม่มีใครรู้เลยนะซึ่งอ่าซึ่งบางคนเขาไม่รู้เลยก็แอ บ, บทําชั่วแบบนั้นไปทั้นโดยส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็จะแอ บ, บทําความชั่วกัน สำหรับคนที่ที่ถือตัวเองอะนะอุตสารักสาภาพพ่อตัวเองว่ามาเป็นคนดีมาเหลือเกินอย่างเงี้ยนะทีนี้บางอย่างกิเลสมันได้ช่องก็ไปหาสถานที่ไปทํากรรมหาสถานที่ไปทําชั่วไปแอบทําชั่วในที่ที่คนอื่นไม่รู้จักอ่ายกตัวอย่างเหมือนกับอ่าพระพิสูจน์บางรูปอยู่เมืองไทยนี่ไม่ไม่ฉันเข้าเย็นเหมือนกันน่ยดีมากแต่ออกต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยออกต่างประเทศเข้าก็ความสํารวมระวังเป็นต้นก็ หมดเลยคนลักษณะนี้ก็มีอยู่ในโลกแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยพระพุทธเจ้านี่ค้งที่ในที่ทุกคนทุกแข่งหมดเลยส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นบางคนที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยนะตอนอยู่ในในหมู่ชนที่ที่เคารพนับถือเขาอ่ะนะเขาก็รักษาภาพพจน์สํารวมไว้เป็นอย่างดีพอไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักเขาเลยเนี่ยนะ หมายความว่าถ้าเขาทำบาปแล้วไม่มีคำคอระหามัางนันแหละเขาก็จะทำบาปอันคนพานทั้งหลายผู้สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตก็จะหาสถานที่ที่คิดบาปว่างั้นเถอะเ้าทามีโอกาสถ้าพูดคำบาปได้ก็พูดไปหรือไปทำบาปทางกายได้ก็ทำไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาคำนึงถึงพุทธพจน์ที่ว่านัธิโลเกระหนามะเนี่ยนะปาปะกามังปะกุปะโทเนี่ยหมายถึงว่าขึ้นเชื่อว่าสถานที่ทาบา ที่รับในการกระทำบาปไม่มีรั้ในโลกนี้เพราะอะไรทำไมว่าสถานที่ที่รับในการทำบาปไม่มีเพราะอย่างน้อยคนทำไม่ใช่คนเลก็ยังมีอยู่นะยังมีคนทำอยู่ตัวเองก็ยังรู้อยู่แก่ใจในชั้นต้นเนี่ยนะสถานที่รับในการกระทำบาปอย่างน้อยที่สุดมีตัวเองเนี่ยรู้แก่ใจสองกล่าวได้ไหมว่าวแถวแนั้นไม่มีเทวดาอยูอ่เทวดาก็มองเห็นอยู่แล้ว กล่าวได้ไหมว่าไม่มีผู้ที่มีฤทธิ์ไม่มีตาทิพย์อยู่นะที่ไกลเขาก็มองเห็นเขาก็รู้อยู่สมณพราหมณ์ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะผู้มีฤทธิ์มีตาทิพย์หรือคนที่ล่องหนหายตัวถึงเขาไม่ยืนอยู่ใกล้เราก็ไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นเชื่อว่าที่รับในการการะทาบาปอันจริงๆแล้วไม่มีรอกแต่คนที่เป็นพาหเนี่ยนะที่สําคัญตัวว่าเป็นบัณฑิตบางคนก็แอบทําบาปนะ สถานที่ต่างๆเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ไม่ทรงมีสถานที่อันเชื่อว่าเป็นที่รับในการกระทำบาปกรมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคนี้จึงทรงปรากฏพระนามว่าอารหันเพราะไม่มีที่รับในการทำบาปเนี่ยนะอันในส่วนตรงนี้เนี่ยนะเราเห็นหรือได้ฟังได้ข่าวใครมาที่เขาแอบทาชั่วในที่บาป เนี่ยนะหรือเราเองก็ช่างเถอะเวลาไปแอบบคิดชั่วพูดชั่วหรือทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะก็ให้นึกเกิดการเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดเนี่ยนะศาสดาของเราเนี่ยนะถึงอยู่ในที่ลับพระองค์ก็ไม่มีโลภโทสะโมหะที่แจ้งที่รับที่เปิดเผยที่ไหนก็ช่างพระองค์นี้ไม่มีโลภโทสะเนี่ยนะแม้กระทั่งคิดยังไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงทางกายและทางทางวาจาเนี่ยนะ ข้อความในสังยุตตนิยสกิ ก, ก, กสูตรเนี่ยนะว่าพูดเทวดาที่ชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะขนาดผู้อื่นเข้ามาประทุสร้ายให้อย่างเรียกว่าชนิดเจ็บปวดวนะนะพระองค์ก็ไม่ได้เครียดเลยไม่มีโทสะเลยว่างั้นแแม้แต่หลังจากนั้นก็ยังสดชื่นยังมีความสุขอยู่ต่อไปได้ว่างั้นพูดถึงข้อความในสังยุตตนิยสคาทวักกันนะ สักกะลิกัสูดว่าพูดถึงพระเทวทัตอาศัยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะแล้วก็สงานขมังธนูทั้งหลายและช้างธนะป่าละกะก็ไม่อาจจะทำอันตรายชีวิตของพระตถาคตได้เนี่ยนะวางแผนที่จะฆ่าพระพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้าตายซะเขาก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนลันน่ยวางแผนที่จะปกครองคณะสงฆ์เอง จึงเลยคิดว่าเราเนี่จับยังพระตถาคตให้ตายด้วยมือของเราทีเดียววะนะฆ่าเองเลยก็ได้นี่นะใช้คนอื่นไม่มีใครทําเสร็จสัที้งดังนี้แล้วก็ขึ้นสู่เขาคิดจกูดแล้วก็ยกศิลาใหญ่ประมาณเท่าเรือนยอดเนี่ยคว้างไปอนะศิลาหินหนักหลายๆตันนี่ก็ยกไหวด้วยคิดว่าพระสมณะโคโดมเนี่ยนะจะแหลกละเอียดนะหินก้อนนี้แค่นี้ก็แหลกละเอียดหมดแล้ววะงั้น ได้ยินว่าพระเทวทัพนั้นมีกําลังมากย่อมทรงกําลังถึงช้างพลายห้าเชือกมีกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกนั้นก็แลอันตรายแห่งชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายที่จะพึงมีได้ด้วยความพยายามของบุคคลอื่นข้อนั้นแลเป็นอาถานนะคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุฉะนั้นศิลาอื่นจึงตั้งขึ้นในอากาศแล้วก็รับศิลาก้อนนั้นซึ่งมาอยู่ตรงสรีระของพระตถาคต หินอี ก, ก้อนหนึ่งเนี่ยลุกมาตั้งรับเลยสเกต็ตแผ่นหินใหญ่ตั้งขึ้นแล้วเพราะศิลาทั้งสองกระทบกันจึงกระเด็นไปถูกที่สุดแห่งหลังพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่นหินเนี่ยปาดเข้าไปกระทบอย่างแรงพระบาทนี้มีพระโลหิตห่อขึ้นราวกะจะถูกประหารด้วยขวานใหญ่ราวกะย้อมด้วยน้ําเหลวของครั่งมันคือถ้าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยนะ คนทั่วๆไปเนี่ยต้องถูกปาดเนื้อปาดเลือดตรงนั้นออกแน่นอนแต่พระผู้มีพระภาคโดยปกติแล้วผิวหนังของพระองค์เนี่ยจะไม่แตกกระจายเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถทำให้ผิวหนังของพระองค์เนี่ยแตกออกไปได้นี่นะอันนี้ด้วยพุทธานุปด้วยบุญที่พระองค์ทำมาดีแล้วแต่ที่หินมากระทบเนี่ยนะแล้วก็เป็นนะเป็นช้าเนี่ยนะเนื้อเลือดเนี่ยมันข้างหมดตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากบาปกรรมบางอย่าง ที่พระองค์นี้เคยทำไวในอดีตชาติเนี่ยนะก็พูดถึงว่ากรรมเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ละเลยพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนะเมื่อเจตนาที่เป็นบาปในอดีตเคยตั้งเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปประกรรมมานั้นเนี่ยด้วยผลของบาปทำให้ทุกขกายวิญญาณเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงถ้าเป็นคนทั่ ว, วไปก็โจะขนาดไหนนะหลังเท้าทั้งหลังะนะที่ถูกมาเห็นกระทบอย่างแรงพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแลดูเบื้องบนแล้วก็ได้ตรัสกับพระเทวทัตว่าท่านใดมีจิตประทุษร้ายแล้วมีจิตฆ่าทำโลหิตของพระตถาคตให้ตั้งขึ้นดูก่อนโมฆาบุรุษท่านนั้นประกอบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากดังนี้เพราะว่าโทษอันนั้นเนี่ยนะมีค่าเท่ากับค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์เพราะคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครฆ่าตายอยู่แล้ว พรอค์นี้จะไม่ตายด้วยความพยายามของผู้อื่นเพราะฉะนั้นคนทีท่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือทำให้พระโลหิตห่อนัอ้นก็นับเป็นอนันตริยกรรมหนึ่งใน5ประการประการที่หนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สาฆ่าผ้าอาหารสี่ทำพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อแล้วก็ทำสังฆเะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อนั้น โทษเบาวกว่าสังกเภทหนักกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ว่าพระเทวทัตเนี่ยนะมีฝีมือทําอนันตรกรรมได้สองอย่างคือหนึ่งทำสังกเภทเนี่ยนะสองทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห้อแล้วก็เป็นเจ้าของวางแผนให้พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อเนี่ยนะฆ่าพระโสราบันด้วยนะเพราะฉะนั้นโอ้บาปอีกหลายเรื่องที่แกทําไว้นะเพราะฉะนั้นชาตินี้เกิดมานี่ยก็เอาบาปไปเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าเอ๊พระพุทธเจ้านี้ ก็เก่งมีความรู้มีความสามารถอ่ะทําไมจึงให้พระเทวทัตบวชล่ะพระพุทธเจ้ารู้ว่าดีรั่วนาคดรู้อะไรหมดเลยใช่ไหมงั้นพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือไงว่าพระเทวทัตบวชแล้วจะต้องมาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยถ้ารู้อย่างงี้แล้วทําไมจึงให้บวชเนี่ยนะรู้ว่าคนนี้เข้ามาในคณะสงฆ์แล้วต้องสร้างความเดือดร้อนให้แน่นอนทําไมจึงให้บวชนะเนื่องจากว่าพระเทวทัตเนี่ยนะถ้าไม่บวชแก่ทาชั่วกว่านี้อีกเยอะเนี่ยนะ โดยส่วนตัวนะระหว่างบวชกับไม่บวชเนี่ยนะจะท่าไหนจะทําชั่วกว่ากันบอกถ้าไม่บวชแกทําชั่วกวันนั้นอีกมากเนี่ยนะแล้วชนิดชั่วที่ว่ามันแก้ไขในตอนสุดท้ายไม่ได้แต่ถ้าบวชมานะไอ้ชั่วส่วนนั้นนั้นก็มีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าใกล้จะตายเนี่ยนะเอากระดูกคางทั้งหมดเนี่ยเป็นพุทธบูชาแล้วมีจิตตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพเท่าทูนถึงขนาดว่าเอากระดูกที่เหลือเนี่ยเป็นพุทธบูชาหมดเคารพนอบน้อมจริงๆในตอนสุดท้าย แต่ก่อนหน้านี้มาก็ใหม่ธรรมดาว่างั้นแต่ได้ตอนสุดท้ายก็ยังดีว่างั้นเพราะไอตอนที่เอากระดูกเป็นต้นเนี่ยทำพุทธบูชาน่ยนะด้วยกุศลอันนั้นเนี่ยอีกแสนกลับจะได้เป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าอะนนก็ยังดีว่างั้นแต่แต่ถ้าหากว่าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะเปอร์เซ็น์ที่จะได้บรรลุธรรมไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าแกไม่บวชแกทําชั่วกันนี้ครับด้วยพระไทยที่อนุเคราะห์ต่อต่อพระเทวทัพนั่นเองเนี่ยนะ แต่นี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคนอื่นที่เดือดร้อนพระพระเทวทัตส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรเพราะกรรมส่วนหนึ่งเพราะกรรมใช่ไหมส่วนหนึ่งเพราะประโยคน์วิบัติส่วนหนึ่งเพราะอาศัยวิบัติทั้นพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ที่ว่าถ้าพระเทวทัตบวชมาแล้วตอนหลังท่านก็จะได้ประพฤติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระปัเจ ก, กับพะพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเห็นคุณอันนั้นก็เลยให้บวชเนี่ยนะและอย่างหนึ่งพระองค์ก็อาศัยพระเทวทัตเมื่อบวชเข้ามาแล้ว สร้างความผิดพลาดอย่างอื่นอีกเยอะแยะพระองค์ก็อาศัยพระเทวทัตเนี่ยสแสดงคำอีกเยอะเดี๋ยวในะผู้บรรลุธรรมเพราะอาศัยปารพระเทวทัตแสดงธรรมนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นพระเทวทัตยังไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยเลยก่อนบวชนะยังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตเนี่ยคือใครใครพี่ชายพัญญาเป็นพี่ชายของพระนางสิริมหามายา ถ้าว่าเป็นลูกเป็นลูกลุงเพราะว่าพระเจ้าสุปปพุทธเป็นพี่ของพระนางมหามายาเพราะาเป็นลูกลุงด้วยเป็นพี่พันญาด้วยเันลูกพี่ลูกน้องด้วยนะพราะมันเข้ากันตั้งหลายเรื่องนะไม่ให้บวชได้ยังไงมันก็โดยเงื่อนไขทั่วๆไปแล้วควรให้บวชแล้วพระองค์แต่พระองค์ก็เล็งอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะส่วนไหนที่กันได้พระองค์ก็กันไปส่วนไหนที่เป็นไปตามปัจจัยซึ่งถ้าแม้แต่พุทธานุภาพกันไม่ได้พระองค์ก็ไม่กัน ถ้ากรรมเนี่ยนะกรรมมันให้ผลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าเหอะก็บอกว่าจิแรงอะไรที่จะเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแต่อย่าลืมนะว่ากรรมจะให้ผลได้ต้องอาศัยกาลคติอุปธิและประโยคะเนี่ยนะแต่ถ้ากรรมมีกําลังมากมากพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ยังอายุสัน้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยผลของของตําอ่ะนะ พระพุทธเจ้านี้ที่พระองค์อายุแค่พระชนแค่แปดสิบปีเนี่ยนะก็เนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยนะผลกรรมที่เป็นเหตุให้พระองค์อายุไม่ยืนนักเนี่ยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเขาก็จะเกิดในสมัยที่คนอายุมากเป็นหมื่นปีแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบุญบา ร, รมีมาเต็มเปี่ยมในช่วงนี้พอดีเลยฟังกันเพราะฉะนั้นของเราประเภทบุญน้อยเกิดมาอายุต่ํากว่าร้อยก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนมั่งไม่งั้นนี่หมดติดเลยนี่ถ้าท่านไปเกิดตอนสมัยเมื่อ อายุสักสามหมืนปีหรือสองหมื่นปีเนี่ยนะของเราเนี่ยชวดฉลูหมดเลยไม่ได้เรียนแน่นอนอ น, นะะยังไงก็อดแน่นอนเนี่ยนะเพราะศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาดูเธอว่าพระพุทธเจ้าที่มีอายุน้องเลยเท่านี้ไม่มีอีกแล้วในอดีตนะอนาคตไม่แน่ใจแต่ว่าในอดีตนี้ไม่มีมีแต่แปดหมืนปีสี่หมืนปีสามหมืนปีสองหมืนปีเนี่ยนะัมีแต่หมื่นหลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นแนหะ มีองค์เนี่ยพระองค์บอกว่าเราเนี่ยน้อยว่งงางอันแค่นิดหน่อยแค่ช่วงอายุมนุษย์ร้อยปีพระองค์ก็บอกนว่าน้อยมากทีนี้หลังจากที่พระองค์เนี่ยนะถูกหินเนี่ยกระทบแล้วก็ห่อเลือดขึ้นพวกพิสุก็เลยคิดว่าวิหารนี้เป็นที่ดอนไม่เรียบไม่เหมาะแก่ชนจำนวนมากมีกษัตริย์เป็นต้นและแก่บั่นประชิตทั้งหลายพิสุเหล่านั้นจึงช่วยกันหามพระตถาคต ด, ด้วยเสียงแห่งเตียงน้อย แล้วก็สู่สวนเนี่ยนะชื่อว่ามัทกุชิเนี่ยนะพิสูจนทั้งหลายก็เลยขนอ่าหามพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าถูกหาเหมือนกันเน่ยเขาเดินไม่ไหวแล้วนะทีนี้ก็กล่าวว่าทีนี้ขณะที่พระองค์ประทับสําเร็จสีห์สา ย, ยาอยู่เนี่ยนะข้อความในสะกะเล็กสูตรกล่าวว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระผู้มีประภาสประทับอยู่ณนะมิกทายาวันในสวนมัทกุชิ กรุงราชครกก็โดยสมัยนั้นแลพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกสเก็ดหินกระทบแล้วได้ยินว่าเวทนาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเป็นอันมากเป็นความลาบากมีในพระสรีระกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สำราญไม่ทรงสบายได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลายไม่ทรงเดือดร้อนอยู่ ถามว่าอดกลั้นด้วยอํานาจของสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าสติของพระ อ, องค์นี่เป็นยังไงพระ อ, องค์เนี่ยระลึกอยู่แล้วว่าไอ้ที่ทุกข fashion, ะกายวิญญาณอันเนี้ยเป็นผลของกรรมอะไรใช่ไหมอันนี้ด้วยอํานาจสติใช่ไหมสติที่ที่ระลึกรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยพระ อ, องค์ก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยเกิดจากกรรมอะไรที่เธอไปทํากรรมเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งด้วยอํานาจของสัมปชัญญะหรือด้วยอํานาจของปัญญาก็พิจารณาเหตุปัจจัยของ ทุกขากายวิญญาณเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำปริญญาในทุกขเวทนาเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์หมดดหมดจดหมดอันก็ดำรงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ปูผ้าสังฆติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหัสายาโดยผระปราชเบื้องขวาซ้อนพระบาทด้วยพระบาททรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู่ ครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปพวกเทวดาสตุลประกายิการเจร้อมีวั น, นะงามยังสวนมัทกุจิทั้งทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะเทวดาสตุลประกายิกาเนี่ยนะเขามีกลุ่มเนี่ยอยู่700ดร้อด้วยกันเขาบอกว่าเทวดากลุ่มเนี่ยทำกรรมอะไรมาเขาบอกงั้น เพราะคําว่าสตุละปะการิกานี้มีอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายที่ชื่อว่าสตุละปะกายิกาเพราะยกย่องด้วยอํานาจแห่งการสมาทานธรรมะของสัตว์บุรุษเนี่ยนะแล้วก็บังเกิดขึ้นในสวรรค์เขบอกเรื่องนี้เรื่องของเทวดานี้มีอยู่ว่าได้ยินว่าชนจํานวนมากด้วยกันเนี่ยนะได้ทําการค้าทางทะเลใช้เรือแล่นไปสู่ทะเลเมื่อเรือแห่งชนเหล่านั้นไปอยู่โดยเร็วเนี่ยนะ ลูกธนูอันบุคคลสั์ไปแล้วเรือเนี่ยไปในทะเลเนี่ยไปอย่างเร็วมากในวันที่เจ็ดจึงเกิดเหตุร้ายใหญ่ในท่ามกลางทะเลคือคลื่นใหญ่เนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็ยังเรือเนี่ยให้เต็มไปด้วยน้ำเมื่อเรือกำลังจะจมลงมหาชนจึงนึกถึงชื่อเทวดาของตนของตน แล้วก็ทากิจมีการอ้อนวอนเป็นต้นคร่ำครวญแล้วเนี่ยนะเรือจะแตกเนี่ยนะใครมีนับถือใครนับถือผีสางเทวดาที่ไหนก็บนบานสารกล่าวกันหมดอะนะ่ะเนาะในระหว่างนั้นอ่ะนะในถามกลางแห่งชนเหล่านั้นบุรุษคนหนึงน่งนึกว่าเราต้องประสบภัยร้ายเห็นป่านนี้แน่จึงนึกถึงธรรมะของตนคนอื่นเขาเขาเดือดร้อนใช่ไหมอ้อนวอนหาที่พึ่งแต่คนนี้เนื่องจากเขาประพฤติธธ ร, รมมาเป็นอย่างดี เขาก็ระลึกถึงกุศลธรรมที่เขาเคยบําเพ็ญมาเขาเห็นแล้วซึ่งสารณะทั้งหลายและศีลทั้งหลายก็บริสุทธิ์นึกถึงสารณะที่ถึงพระรัตนะตรายเป็นสารณะเป็นอย่างดีเขาพูดถึงใน ส, สมัยาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะแล้วก็นั่งคิดถึงศีล น, นั่งขัดสมาธิดุจพระโยคียงนันเหมือนคนกําลังเพ่งกรรมาฐานอยู่นะพวกชนทั้งหลายจึงถามท่านถึงเหตุอันไม่กลัวนั้น ถามว่าทำไมไม่กลัวบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายใช่แล้วเราไม่กลัวภัยเห็นปานี้เพราะเราถวายทานแกหมู่แห่งภิกษุในวันที่ขึ้นเรือว่า ง, งั้นเถก่อนขึ้นเรือมาเนี่ยทำบุญมาแล้วว่า ง, งั้นเราก็ได้รับสรรณะทั้งหลายและศีลทั้งหลายด้วยเหตุ น, นั้นเราจึงไม่กลัวดังนี้ แสดงว่าเขาทําด้วยกุศลและเจตนาอย่างแรงกล้า ม, มากนะพอนึกถึงกุศลอันนั้นแล้วไม่กลัวตายถ้าโดยลําพังของทั่วไปส่วนหนึ่งเนี่ยนะถึงทํากุศลมายกหยกก็ไม่รู้จะแน่ใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นาะสมมุตินะถ้าแบบของเราเลยนะถ้าออกจากที่ฟังธรรมเสร็จเนี่ยนะรถมันปาดหน้าเนี่ยถามวอยวายได้ไหมไม่วอยวายนีย่สงบนิ่งโอ้ถึงตายตอนนี้ก็ไปสุขติทําใจได้ขนาดนั้นไหมกําลังฝึกอยู่นะ เราลองไปฝึกดูกันแล้วกันนะถ้าใครมาเบรกรถดังเยัดข้างๆแล้วตกใจนะแสดงว่าอันนี้ต้องฝึกอีกนานนะทีนี้ก็เล่าอะนะที่ไม่กลัวตายก็เพราะว่าถึงสาระให้ทานด้วยถึงสาระคมมาด้วยแล้วก็สมาทานศีลมาด้วยเลยไม่เด็กนึกกลัวตายอะไรชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่นายก็สาระและศีลเหล่านี้สมควรแก่ชนพวกอื่นบ้างหรือไม่นะคนอื่นเนี่เอาได้ไหมล่ะ บัณฑิตนั้นก็ตอบว่าใช่แล้วธรรมะเหล่านี้ย่อมสมควรแม้แก่พวกท่านชนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านบัณฑิตจงให้แก่พวกเราบ้างชนผู้เป็นบัณฑิตนั้นจึงจัดทําพวกมนุษย์เหล่านั้นให้เป็นพวกละร้อยคนเนี่ยนะพวกละร้อยคนรวมเป็นเจ็ดพวกด้วยกันเพราะเทวดากลุ่มนี้มีเจ0ดร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ม, มนุษย์กลุ่มนี้ คือพูดถึงก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็มี700้ท่านพอเจ็ดร้อยก็แบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ100ต่อจากนั้นก็ให้ศีลห้าในบรรดาชนเจพวกนั้นชนจำนวนร้อยคนคนพวกแรกตั้งอยู่ในน้ำมีข้อเท้าเป็นประมาณ น, นะน้ำทะเลเนี่ยท่วมถึงข้อเท้าก็ให้สารณะและศีลจบพอดีก็ได้รับศีลชนพวกที่สองน้ำตั้งอยู่ประมาณเข่าขก็รับสารณะศีล ชนที่สมก็น้ําประมาณเท่ากะะับเสลชนพวกที่สี่ก็มีน้ําประมาณสะดือชนที่ห้าก็มีน้ําประมาณอกเหมือนกนชนที่หก็มีน้ําประมาณคอคนที่เจ็ดน้ําทะเล ก, กําลังจะไหลเข้าปากก็รับศีลเนี่ยนะโหกำลังน้ําท่วมปากกาดีนะแต่ก็สมาทานได้เหมือนกันชนผู้เป็นบัณฑิตนั้นครั้นให้ศีลหแก่ชนเหล่านั้นแล้วจึงประกาศเสียงตึกกล้องว่าสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเฉพาะของพวกท่านไม่มี ขอพวกท่านจงรักษาศีลเท่านั้นชนทั้งเจร้อยเหล่านั้นทำกาละในทะเลนันแล้วไปบังเกิดในภพดาวดึงเพราะอาศาายัยศีลอันตนรับเอามาแล้วในเวลาใกล้ตายอ่างนั้นเถอะอาสันนกรรมอันนี้ไม่ธรรมดานะปรลสารณะและศีลเพราะฉะนั้นใครป่วยเนี่ยรู้ว่าเจ็บครั้งนี้เนี่ยปางตายแนย่ก็นึกถึงสารณะและศีลเอาไว้นะ หรือไม่ก็เอ็นไม่ค่อยมั่นใจเลยทําให้มั่นใจก็อย่าไปนึกเสียใจอะไรแล้วก็สมาทานเอาใหม่ตรงนั้นแหละพุ้ทังสารนังข้าฉามิว่าเองก็ไม่เห็นยากอะไรใช่ไหมก็ว่าเองถึงเองเลยแต่ว่าท่านนี้ก็ท้ว่าเองไม่ไหวอนึกไม่ค่อยออกคนใกล้ๆอ่ะที่ให้สารณะได้กันนะใครที่ไปเยี่ยมก็บอกว่าให้ศีลให้พรเออกระว่าให้สารณะเหมือนพระได้ไหมถ้าให้ได้สมาทานเลยนะเพราะว่าไม่ต้องรอพระภิกษุอย่างเดียวหรอกนะ เพราะฉะนั้นเราก็สมาทานใกล้ๆได้ถ้าใครป่วยผู้การไปเยี่ยมก็ให้ผู้การให้สารณะให้ศีลได้อย่างเงี้ยสบายอยู่แล้วไม่ยากให้มดีกว่าคุณ <laughs> <laughs> จจอมยังฝากฝังให้ผู้การไ <laughs> อใมมจะอนะ่นะ <laughs> ทีนี้พอรับใกล้จะจุตินั้นก็เลยไปใกล้ตาเนี่ยนะก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง วิมานทั้งหลายของเทวดาเหล่านั้นก็เกิดเป็นหมู่เดียวกันวิมานทองของอาจารย์เนี่ยมีประมาณร้อยโยน์เกิดในท่ามกลางแห่งวิมานทั้งหมดเทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพที่เป็นอาจารย์นั้นวิมานนั้นต่ํากว่าวิมานทั้งหมดนั้นก็ยังมีประมาณถึง12โยชต์เนี่ยนะก็บอกว่าเทวดาที่จนกว่าเพื่อนเนี่ยนะมีวิมาน12โยต์เหมือนั้นแต่หัวหน้าเขามีร้ๆๆยอยโยน์เหมนทีนี้เทพเหล่านั้นได้พิจารณาผลกรรมในขณะที่ตนเกิดแล้วทราบ ซึ่งการได้สมบัตินั้นเพราะอาศัยอาจารย์จึงกล่าวกันว่าพวกเราจะไปกล่าวสรรเสริญคุณของอาจารย์ในสำนักแห่งพระทศพลอันนี้นะพูดถึงกลุ่มเทวดาเหล่านั้นเทวดากลุ่มเนี่ยนะเขาเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคหลายครั้งอันนี้มีครั้งนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะถูกสะเก็ดหินเขาก็ลงมาเฝ้ากันอีกก็แบ่งเป็นกลุ่มๆอีกกลุ่มหนึ่งก็มากล่าวว่า เทวดาองค์หนึ่งครั้นยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้แต่งอุทานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณโคโดมผู้เจริญเป็นนาคคือเป็นผู้มีกำลังหนอก็แหละพระสมณโคโดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สําราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณโคโดมเป็นนาคจึงไม่ได้ทรงเดือดร้อน คนทั่วๆไปนี้พอเจ็บกายแล้วนะการเจ็บกายก็เหมือนกับลูกศรดอกที่หนึ่งงเข้าไปใช่ไหมปุถุชนผู้ไม่ได้สดับโดยมากทุกใจก็จะตามมาถ้าโดยเฉพาะเนี่ยนะอาจจะไปเดินเตะหินมาเองก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะอาจจะโทสะบ้างนะถ้าไปพลาดมาเองนะแต่ถ้าคนอื่นมาทำให้เจ็บเนี่ยนะอาจจะโทสะคือนึกถึงหน้าคนที่เคยทำให้เราเจ็บเนี่ยนะ หน้าเขามาวนเวียนอยู่เรื่อยนะลึกแหมทบทวนประวัติของคนนี้ทุกอย่างเลยนะวิจัยละเอียดหมดด้วยอง น, น้าโทสะเนี่ยนะเอาคืนได้ยังไงเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปก็จะลักษณะนั้นแต่พระผู้มีพระภาคไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะทีนี้เทวดาอีกพวกอื่นก็ได้เปล่งอุทานนี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณโคดมผู้เจริญเป็นสีห์หนอ คือเป็นคนที่ไม่สะดุ้งไม่ตกใจอะไรเลยก็แลพระสมณะโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สําราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณะโคดมเป็นสีหะมิได้ทรงเดือดร้อนครั้งนั้นเทวดาอื่นอีกได้เปล่งอุทานในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระสมณโคดมผู้เจริญเป็นอาชานัยหนอะว่งงาไนคําว่าอาชานัยก็คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเฉลีฉลยวฉลาดเนี่ยนะคนที่ทําด้วยความเฉลียวฉลาดชื่อว่าอาชาในนี่อย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็ผู้ที่รู้เหตุคนที่รู้เหตุเรียกว่าอาชาในว่าพระสมณโคดมเป็นผู้เจริญเป็นอาชานัยหนอก็แหละพระสมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลาย อันมีในพระศรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สําราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณโคดมเป็นอาชานัยมิได้ทรงเดือดร้อนครั้งนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้แต่งอุทานนี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณโคดมผู้เจริญเป็นผู้องค์อาจนอหวังั้นอาสะานะองอาจก็หมายถึงว่าผู้ไม่มีผู้อื่นเปรียบเทียบเลยนะ หรือว่าไม่มีผู้อื่นเสมอเลยก็แลพระสมณโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สำราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณโคดมเป็นผู้องค์อาจมิได้ทรงเดือดร้อนครั้งนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เป่งอุทานนี้ในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระสมณะโคดมผู้เจริญเป็นผู้ไฝทุระนอะก็แหละพระสมณะโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สำราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณะโคดมเป็นผู้ไฝทุระมิได้ทรงเดือดร้อนครั้งนั้นแหลเทวดาอื่นอีกได้เปล่งอุทานนี้ในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระสมณะโคโดมผู้เจริญเป็นผู้ฝึกแล้วหนอะว่างั้นนะนะเป็นผู้ฝึกมาเรียบร้อยแล้วว่างั้นแต่ถ้าไม่ได้ฝึกมาก็ยากที่จะทําใจได้นะแต่นี่พูดถึงเขาฝึกมาแล้วนะวันก่อนผู้การพูดถึงยังจําได้เขาบอกว่าทหารเนี่ยนะถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยขึ้นไปโดดเป็นทหารบางขั้นตอนเนี่ยน่าจะตายตรงนั้นเลยนะถามว่าทําไมจึงตายเพราะบอกว่าไม่ได้รับการฝึกมาตั้งแต่ต้นมาเป็นลําดับ เพราะถ้าไปเข้าฝึกบางช่วงแล้วอาจจะช็อกตายขนาดนั้นก็ได้บางเั้นอันะแต่พูดถึงคนที่ฝึกแล้วก็เป็นอย่างนั้นทางจิตก็เหมือนกันคนที่ฝึกจิตมาแล้วเนี่ยนะยูู่แล้วไปไปกระแทกมาขนาดนี้เนะี่ยถามว่าทําใจไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะต้องเสียใจเป็นแน่แต่ถ้าคนที่ฝึกจิตมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็รับได้เนี่ยนะทีนี้ถามว่าฝึกจิตเนี่ยฝึกยังไงเนี่ยนะก็ฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ แต่ว่าฐานของการฝึกจิตก็คือศีลใช่ไหมฐานของการฝึกจิตเนี่ยคือศีลแต่ว่าวิธีการฝึกจิตจริงๆก็คือฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาถ้าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยระดับไหนจริงจะชื่อว่าฝึกเสร็จถ้าบอกว่าอารหัตตมัตชื่อว่ากาลังฝึกอยู่อรหัตตผลชื่อว่าฝึกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าผู้ฝึกแล้วหนอมันคนที่ฝึกแล้วเนี่ยก็อโศกังวีระชังเขมังเอตา ม, มังคามุตตะ ม, มังจิตของผู้ใดที่ถูกโลกกระทำทั้ง8ถูกต้องครอบงามก็เป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะเป็นจิตที่กเกษมเป็นจิตที่ปลอดภัยเนี่ยนะเอตา ม, มังคามุตตะ ม, มังอ่างนั้นจิตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนั้นจริงๆโลกกระทำเนี่ยก็กระทบก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะฝึกฝึกสาเร็จแล้วเนี่ยนะ ก็และพระสมณโคโดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั่นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในสริระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สําราญไม่ทรงสบายด้วยความที่พระสมณโคโดมเป็นผู้ฝึกแล้วมิได้ทรงเดือดร้อนครั้งนั้นแลเทวดาอื่นอีกได้เปล่งอุทานนี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านทั้งหลายจงดูสมาธิที่พระสมณโคโดมให้เจริญดีแล้ว สมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าเจริญมาเป็นอย่างดีแล้วสมาธิไหนก็บอกสมาธิในอรหัตผลน่ยนะอรหัตผลสมาธินี่นะที่ฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วนี่จิตของพระสมณโคโดมเนี่ยพ้นดีแล้วนะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยด้วยอรหัตผลอ่ะนะอันหนึ่งจิตเป็นไปตามการมาราคะพระสมณโคโดมไม่ให้น้อมไปเฉพาะแล้วเนี่ยนะหมายคือว่าคนทั่วทวไปเนี่ยนะเวลาเจ็บป่วยก็จะนึกถึงไอ้ความหายป่วยใช่ไหม คนที่เจ็บคนที่ป่วยคนทั่วๆไปก็นึกไอ้จะหายหรือเปล่าน้อว่างันมีโยมคนหนึ่งนะเขาเขาป่วยโอ้ป่วยมากเลยป่วยมากเนี่ยเขาบอกเขาจะหายหรือเปล่าน้อเขาว่ากันเขาก็ลังพึงลำพันอีก เ, อเขาไี่ก่อไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรมาเลยนะเขาว่าทำไมมาเป็นที่เขาอ่ะคนอื่นไม่เป็นเลยทำไมเป็นที่เขาคนเดียวยว่างันอยังก็ว่ารู้จักบาปพอหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเขาบอกเขาไม่ได้ทำบาปมาเลยว่างันอนะข่าวมดตัวเดียวก็เพียงพอแล้วทำมันให้ผลอ่ะนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยรํำพึงรําพันคิดเสมอว่าน่าจะหายอีกเนี่ยนะสร้างความหวังตลอดเวลานะว่าเขาต้องหายเขาต้องหายอันนี้ลักษณะอันหนึ่งของของผู้ที่มีราคาครอบงำเนี่ยก็จะทึกนึกถึงแต่ความหายแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจิตที่เป็นไปกับราคาเนี่ยนึกถึงขันที่มันหายอะไรเลยนะคือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อขันอันใหม่ที่มันดีกว่านั้นอะไระลักษณะของผู้ที่ถูกกิเลสหรือว่าถูกตัณหา เป็นเครื่องน้อมไปก็จะน้อมไปเพื่อขันอื่นที่ดีกว่านี้อีกเนี่ยนะนะผู้ที่ปรารถนาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าหาว่าถูกทุกขเวทนาครอบงมก็ต้องการสุขเวทนาเนี่ยนะนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของตันหาแต่ถ้าปัญญาก็จะใคร่ครวนถึงเหตุเกิดและความดับเป็นต้นของ เวทนาเหล่านั้นนั้นอัศาธาอาทีนวะแล้วก็นิสรณะของเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอันหนึ่งจิตเป็นไปตามโทสะพระสมณโคโดมไม่ให้กลับมาแล้วเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นถึงจะเจ็บปวดอยู่ก็ไม่มีโทสะอย่างนั้นนะไม่รู้สึกรําคาญหรือหงุดหงิดเดือดร้อนเนี่ยนะไม่มีอึดอัดเลยอ่างนั้นเนี่ยจิตก็คงเท่าเดิมอันหนึ่งพระสมณโคโดมหาต้องตั้งใจขม่ม เรียกว่าจิตของท่านน่ยไม่ต้องตั้งใจข่มเลยเมืองนั้นต้องขมนะ่มต้องบีบต้องอดเอาทนเอานเนี่ยนะต้องไปให้คนบอกว่าทนเอานะอะไรนะไม่ต้องอน น, นมีความอดทนอยู่ในตัวเมืงั้นก็แสดงว่าจิตใจไม่ได้หงุดหงิดเลยนะไม่ต้องคอยห้ามกันบุคคลใดพึงสําคัญพระสมณะโคดมผู้เป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษศีหะเนี่ยนะ เป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษองอาจเป็นบุรุษฝ่ายธุระเป็นบุรุษฝึกแล้วเห็นป่านี้ว่าเป็นผู้ตนอันพึงล่วงเกินคนนั้นจะเป็นอะไรนอกจากไม่มีจักษุเขาว่ากันอ่านะคราวว่าคนดีขนาดนี้ยังคิดแกล้งหลังเงี้ยคนนี้ไม่มีตาแน่นอนหลังเงี้ยไอ้คำว่าไม่มีตาคือไม่มียานะไม่มีตาปัญญามองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วอนะเห็นอะไรมีโทษไม่มีโทษแสดงว่าไม่รู้เลยอ่านะ เป็นอันตราพมสิ้นดีเลยแบงนั้นอันนี้ก็หมายถึงพระเทวทัตนะเทวดาก็นึกตำหนิพระเทวทัตว่าคนดีขนาดนี้ยังไปแกล้งท่านได้ทางนั้นครั้งนั้นนะเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วก็ได้กล่าวคาถาทั้งหลายอีกว่าพรามทั้งหลายมีเวทเนีย่ยนะมีเวทหมีตะบะประพฤติอยู่ตั้งร้อยปีอันนี้ถ้าพูดถึงลักษณะของรือสีเป็นต้นที่ในอินเดียนะก็ตามคาถานี้ว่า แต่จิตของพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นแล้วโดยชอบพราหมณ์เหล่านั้นมีจิตเลวย่อมไม่บรรลุถึงฝังเนี่ยนะจิตที่หลุดพ้นโดยชอบเนี่ยนะหรือจิตที่พ้นโดยชอบนี่ต้องเป็นจิตระดับอรหัตตมรักอรหัตตผลเนี่ยนะจึงจะชื่อว่าชอบจริงๆเลยจิตของผู้ที่เหลือเนี่ยนะถึงจะประพฤติบาอย่างอื่นก็ยังนับว่าเป็นจิตที่เลวอยู่เพราะไม่ถึงฝังคืออะไรเป็นชื่อของฝัง ไม่ถึงนิพพานเนี่ยนะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้อันตันหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยพรตและศีลประพฤติาบะอันเศร้ามองอยู่ตั้งร้อยปีแต่จิตของพรามณ์เหล่านั้นไม่พ้นแล้วโดยชอบพราหมณ์เหล่านั้นมีจิตเลวย่อมไม่บรรลุ ถ, ถึงฝั่งความฝึกฝนย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ไครมานะเนี่ยนะคนที่มากไปด้วยมานะก็จะไม่มีการฝึกฝนอะไร ความรู้ย่อมไม่มีแก่บุคคลที่มีจิตไม่ตั้งมัน่นเนี่ยนะยานเนี่ยนะย่อมไม่เกิดแก่คนที่ไม่มีสมาธิอย่างนั้นแหละคนมีจิตตั้งมั่นเนี่ ย, นนยปัญญาเกิดไม่ได้บุคคลผู้เดียวเมื่ออยู่ในป่าประมาทอยู่แล้วไม่พึงข้ามพ้นฝั่งแห่งแดนมัจจุได้ถึงไปอยู่ในป่าเนี่ยนะถึงไปอยู่ด้วยความประมาทเป็นต้นก็ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะอยู่ป่าเฉยๆแต่ว่าอยู่ด้วยความประมาทบุคคลละมานะแล้ว มีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีจิตดีพ้นในธรรมะทั้งปวงแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นพึงข้ามพ้นฝั่งแห่งแดนมัจจุได้เนี่ยนะถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทคําว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยความไม่ปราศจากสติเนี่ยนะอยู่ด้วยโพธิปัจฉิยธรรมเนี่ยนะดำเนินจิตเนี่ยนะกายกับจิตเนี่ยเป็นไปกับโพธิปัจฉิยธรรมอย่างต่อเนื่องอ่าด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง โพธิปัจขยธรรมมีอะไรบ้างนั่นมีเท่าไหรก่อนนะโพธิปัจขยธรรมมีสาิบเจ็ดแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มเจ็ดกลุ่มนะอันนั้นกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าสติประธานสี่กลุ่มที่สองสัมมาประธานสี่กลุ่มที่สามอิทธิบาทสี่กลุ่มที่สี่อินรี่ห้ากลุ่มที่ห้าพละห้ากลุ่มที่หกพชองเจ็ดกลุ่มที่เจ็ดอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้น โพธิปักษิยธรรมทั้งสาสิบเจ็ดนี่แหละเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคําสอนในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยนะคาสอนทั้งหมดก็อยู่ในฝากฝ่ายแห่งโพธิปักษิยธรรมนั่นเองเนะคําสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยนะถามว่าวินัยปิฎกเนี่ยนเรื่องศีลทั้งหลายอยู่ในส่วนไหนของโพธิปักษิยธรรมโพธิปักษิยธรรมมีศีลไหมมีศีลอยู่ด้วยไหม ม, มีกี่ข้อ สามนะก็ะองสามหนึ่งสัมมาวาจาสองสัมมากัมมันตะสสัมมาอาชีวะอันนี้ส่วนของศีลเนี่ยนะส่วนของศีลเนี่ยมีอยู่สามส่วนของสมถะนะศรัทธาก็อยู่ในฝักศรัทธานะอยู่ในกลุ่มศีล น, นะศรัทธาที่อยู่ในสัตทินศีศรัทธาภละเนี่ยนะศรัทธานี่อยู่ในประเภทกลุ่มศีลส่วนสติ สั ม, มประธานสมาธิอุเบกขาพวกนี้อยู่ในกลุ่มสมาธิอยู่ในกลุ่มสมาธิเห็นไหมในกลุ่มโพธิปัจขยธรรม น, นะส่วนปัญญากับวิตกเช่นปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจยสัมโคดชงสัมมาทิฏฐิสามมาสังกะปะกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของปัญญาเพราะฉะนั้นโพธิปัจขยธรรมก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองศีล ส, สมาธิปัญญาคือโพธิปัจขยธรรม ัคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดก็คือคำสอนที่อยู่ในโพธิปัจจยธรรมเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเป็นไปเพื่อโพธิโพธินี่เป็นชื่อของอะไรโพธินี่เป็นชื่อของความตรัสรู้อะไรตรัสรู้โพธินี่เป็นชื่อของความตรัสรู้ที่ไหนที่ในอริยมรรคทั้งหลายเรียกว่าโพธิโพธินี่อยู่ในอริยมรรคเนี่ยนะก็เรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่า สัมโพธิว่า้นสัมโพธิเป็นชื่อของอริยมรรคทั้งสี่ประการโสดาปฏิมรรคก็ชื่อว่าสัมโพธิสกะธาคามรมรรคอนาคารมรรคอรหัตมรรคก็ชื่อว่าเป็นสัมโพธิแปลว่าความรู้ถูกต้องเนี่ยนะังั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเคยได้ยินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อเบื่อนายเนี่ยนะเป็นไปเพื่อเบื่อน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเนี่ยนะที่เราเคยสวดมนต์อ่ะ น, นะเขามีว่าไงเขาบาลีว่าไงนะใครๆสวดมนต์มาเยอะๆหน่อยก็นั่นแหละบทนั้นอนะ่ะมีอยู่ตรงหนึ่งใช่ไหยเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่ออ่ะ น, นะความตรัสรู้เนี่นะเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ยิน ธรรมะนั้นแล้วจึงรู้ว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารณะปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขโตมานาสุปายาสาปิทุกขา mm hmm. คือเนื่องจากฟังคําสอนทั้งหมดนี่นะจึงได้รู้วัตวทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะจนถึงว่ารู้อุปาทานขันธ์เป็นเป็นตัวทุกข์แล้วก็เจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อกําหนดรู้ ขันห้าโพธิปักขยธรรมเป็นธรรมะที่ต้องเจริญขึ้นเพราะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ทีนี้โพธิปัจขยธรรมเนี่ยนะเมื่อเจริญให้มากแล้วรู้อะไรก็รู้ทุกขสัตว์เป็นต้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะพร้อมทั้งเหตุเกิดเหตุเกิดแห่งทุกขสัตว์ก็คือสมุทัยศาสต ร, ร์ทั้งหลายถามว่าความดับทุกขสัตว์คืออะไรก็ดับสมุทัยนั่นแหละเป็น ความดับสมุทัยนั่นแหละเป็นนิโรธสัตว์เนี่ยนะเพราะทุกจริงๆถ้าจะดับดับที่สมุทัยไม่ใช่ไปดับที่ทุก์นะถ้าเราจะดับไฟเนี่ยนะดับที่หลอดไฟจะไม่ไปถอดหลอดลงมาเลยอันนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ดับที่ฉลาดใช่ไหมเขาก็ดับที่ที่ต้นเหตุของต้นฉันใดสมุทุกขสัตว์เนี่ยนะถ้าบุคคลจะดับเนี่ยถามว่าดับที่ขันห้าอันนี้ใช่ไหมถ้าจะดับอันนี้ก็ทําอย่างเดียวก็คือฆ่าตัวตายนั่นเอง มันดับจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ดับอะไรเลยเนื่องจากเหตุหรือเรียกว่าทุกขสมุทัยยังอยู่พันนิโรธศาสตร์ก็คือการสํารอกสมุทัยศาสตร์โดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะที่เรียบอกว่าการสํารอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือการสละคืนการปล่อยวางมุติอนาลโยปฏินิสโัโคเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งตัณหาทั้งสามประการเหล่านั้นนั่นเป็นนิโรธศาสตร์ผู้ที่ ปล่อยจิตเป็นไปกับโพธิปัจจยธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ย น, นะส่งกายและจิตให้เป็นไปกับโพธิปัจจยธรรมกําหนดรู้ทุกศัสตร์ละสมุ ท, ทยัยทานิโรธให้แจ้งอ่าบุคคล น, นี้จึงจะชื่อว่าไม่ประมาทอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะถ้ายังเจริญกุศลธรรมเพื่อธรรมะเหล่านี้อยู่ก็ชื่อว่าไม่ประมาทเหมือนกันเนี่ยนะ ก็ชื่อว no ่าไม่ประมาทแต่ว่ายังไม่ถึงไม่ประมาทอย่างแท้จริงเพราะคนที่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงก็ผู้ที่ได้ตรัสรู้มรรคผลโดยเฉพาะอรหัตตมรรคไปแล้วจึงจะชื่อว่าไม่ไม่ประมาทอย่างแท้จริงแต่ถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยนะถ้าจิตเป็นไปกับอกุศลเมื่อไหร่กุศลธรรมไม่ต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าประมาทเนี่ยนะแต่ขณะอื่นๆก็ไม่ประมาทขณะที่กุศลธรรมเป็นไปก็ชื่อว่าไม่ประมาทนี่เมื่อไม่ประมาทก็บําเพ็ญกุศลธรรมเหล่านี้จนกว่าจะ ภบูรเนี่ยนะกุศลธรรมที่ภยบูล์จริงๆก็ระดับนั่นแหละอย่างที่ว่าอรหัตตมรักษนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่มีความเนิ่นช้าว่างั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนของพระองค์เนี่ยนะจึงไม่เป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าไม่ไม่ไปเนิ่นช้าให้เพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าแม้แต่อุปาทานขันอันเดียวทีนี้ย้อนมาที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ไม่มีความลับในการทําบาปแม้กระทั่งได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะแต่ถ้าป ก, ปกติธรรมดาเนี่ยนะถ้าไม่มียาแก้ปวดต้องใส่นอนครางทั้งคืนเนี่ยนะไว้โทสะเกินมากโอ้ยโอยโทสะเลยนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ฝึกมาดีก็ลักษณะนั้นก็คิดดูนะว่าโทสะไม่มีอนะถ้าคนที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะนั้นก็ชื่อว่าแอบทําบาปแล้วล่ะ หรือโลภะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าแอบทําบาปแล้นะไม่ต้องพูดถึงไปทํากายกรรมวจีกรรมหยับหยาบเนี่ยน ะ, ะเมื่อเห็นอารมณ์แล้วถือโดยสุภาพนิมิตอันนั้นก็แอบทําบาปอย่างหนึ่งเห็นอารมณ์แล้วถือโดยปฏิฆานิมิตก็แอบทําบาปอีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าพิกเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วไม่พิจารณาเหตุเกิดความดับอาสาธาอาธีนวะแล้วก็ น, นิสรณะของอารมณ์ น, น, นั้นก็ชื่อว่าโมหะเกิดแนละโมหะบาปไหม ก็บาปเหมือนกันนะก็แอ บ, บทําบาปเหมือนกันใครแอ บ, บทําบาปน้อยหน่อยอยงนั้น<า>อ่นะ<า>คือถ้าเป็นบาปเมื่อไหร่มันก็เป็นบาปหมดแหละถ้าคิดคิดแอบบคิดไม่ดีกับใครเนี่ยนะอันนั้นก็แอ บ, บทําบาปเหมือนกันเนี่ยนะที่เรียกว่าแอ บ, บตําหนิใครสักคนหนึ่งอ่านะแอบบดูหมิ่นใครเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็ชื่อว่าแอ บ, บทําบาปเหมือนกันเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยนะรับบทเมรแล้วขนาดโอ้ยทําตัวเป็นแม่พระมาตลอดเลยนะ ใครก็เชินชมมาคนดีมาตลอดไอ้ที่จะด่าใครก็ไม่กล้าด่านะแอบด่าในใจเอาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปพุ่งมาจามาเดี๋ยวเสียนหน้าเสียตามหมดตั้งเนี้ยลักษณะนี้มาลักษณะนี้ก็ไดแอบทําบาตเลยนะแอบคิดไม่ดีอย่างเงี้ยนะอ <c oughs> ฟังเรื่องที่พระภูวิภาคทรงได้รับบาดเจ็บที่พระบาทนี่นะอเป็นทุกขวเวทนานะแล้วเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ได้บรรยายบอกว่า อ, อคนที่กําลังเจ็บกําลังป่วยเนี่ยออ คราวนี้เราจะหายไหมเ น, นี่ยนะเป็นอย่างนั้นทุกค น, นะคจะหายไหมเนี่ยคราวนี้ถ้าจะคราวนี้จ ะ, จะเสร็จแน่นะคราวนีถ้ถ้าเกิดเป็นโรคบางอย่างเนี่ยเป็นมันเป็นความหวังอย่างนั้นถ้าหายแล้วมันคงจะสบายแล้วนี่นะผมก็มานึกดูว่านี่นี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะที่ที่เป็นไปตามกฎในปฏิจจสมุปาที่บอกว่าเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัญหา ตอนนี้เวทนานี่นะครับเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานี่ถ้าเวทนานั้นเป็นโสมนัสเวทนานี่ไม่สงสัยมันเกิดตัณหาแน่นอนตอนนี้ก่อนนี้เราก็เคยคิดว่าเออถ้าหากว่าทุกขากายย่าวิญญาณนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาตรงๆหรือว่าถ้าเป็นโทมนัสเวทนาเนี่ยถ้าเกิดกลุ่มใจเนี่ยนะเออแล้วต่อจากนั้นมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณห า, ายังไงยังนึกไม่ค่อยออกพอมาเห็นตัวอย่างอันนี้แล้วก็นึกออกเลย นะตอนที่ท่านยกตัวอย่างว่าคนป่วยเนี่ยนะคนป่วยกําลังได้รับทุกขเวทนาเนี่ยแม้กระนั้นก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญห า, าตามาปฏิจจานุบาต ท, ทุกอย่างถามคุณหมอว่าคนไข้เขาถามไหมว่าไข้เขานี่จะหายไหมเนี่ยนะคนไข้าถามแบบนี้มีไหมอันนะก็คนไข้ก็มีหลายประเทศก็ที่ถามก็มีที่ไม่ถามก็มีแล้วที่ที่หวังก็มีที่สิ้นหวังก็มีออแต่ พวกสิ้นหวังเนี่ยนะเขาก็หวังเกิดใหม่อีกนั่นแหละจะได้มีกายอันใหม่ท่าทีอย่างเง้ยไมจะได้ทุบภาชนะดินจะไปเอาภาชนะทองอีกนั่นแหละก็ยังหวังจะเอาขันอันใหม่อีกเนี่ย น, นะแต่ผมเชื่อว่าแม้แต่คนไข้ขนาดนั้นนะก็หวังจนวินาทีสุดท้ายคนระับว่าจะหายก็บอกว่าของมาแปลกใจนะบอกว่าสัตว์ทุกพบเนี่ยนะเวลาปฏิสนธิในแรกเลยนะวิธีแรกเขาเรียกว่าโลภภวะกันติเนี่ยนะ เรียว่าเป็นความยินดีในพบเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นแรกในปฏิสนธิในทุกพบเนี่ยนะสัตว์จะต้องยินดีหมดอมทุกพภูมิเนี่ยโอ้ยังยอยู่องนั้นเลยก็ดีใจอนะดีใจที่เรียกว่าโลภะภวะนิการติคําว่าโลภก็คือตัวกิเลสใช่ไหมตัณหาอยู่แล้วนิการติแปล ว, ว่าความยินดีภวะเป็นชื่อของการยินดีในพบคือยินดีที่ได้เกิดนั่นเองนะทุกพบเลยนะแม้กระทั่งสัตว์นรกเนี่ยพอเกิดปั๊บเนี่ยดีใจก่อนที่ได้เกิด เสร็จแล้วหลังจากนั้นอ้าวเกิดที่ไหนเนี่ยนะก็อาจจะไปทุกทีหลังไปแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วจะยินดีหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะน้อยคนมากอ่ะนะที่แบบสลบแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วดีใจอ่ะนะแต่มีพระโยงคหนึ่งเขบอกว่าเขาสลบเขาบอกพอตื่นขนนึ้นมาก็บอกเขาไม่น่าตื่นนะเขาว่าตอนนั้นเขาสบายที่สุดเลยนะมันจะสบายนานหรือเปล่าไม่รู้นะก็ <c oughs> <c oughs> ตื่นมาก็ทุกต่อไปกันแล้วกัน คิดว่าจิตยินดีในการเกิดเนี่ยเกิดในขณะที่เ ป, ป, ป, ปฏิสนธิจิตแสนหลังจากปฏิสนธิจิตวิธีแรกของการเกิดในทุกพบเนี่ยนะแม้แต่เกิดในคันหรือเกิดในไข่เกิดที่ไหนก็ช่างอะ่ะพอปฏิสนธิปั๊บก็จะวิถีจิตเกิดขึ้นก่อนวิถีหนึ่งลโลภะภวะนิการติเนี่ยนะยินดีในพบก่อนหมดเลยทั้งหมดเลยนะทุกสัตว์แม้แต่พระอนาคามีก็ยังยินดีนวิถีแรกของพบนั้น มนโนทวาร ว, วิถีโดยที่มีปฏิสนธินั่นแหละเป็นอารมณ์ตัณหามันบางอันก็นําเกิดบางอันก็ไม่นําเกิดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่สิ้นนี่นะเกิดแน่แต่ว่าอันไหนนําเกิดอีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนกับกรรมนี่นะเราทํากรรมตั้งแต่เกิดมาจนตายเลยนะเจตนาที่นําเกิดชาติหน้านะันดวงเดียวเฉพาะที่นําเกิดชาติหน้านะดวงเดียวทีนี้ในบรรดาดวงเดียวอ่ะดวงไหนล่ะเจตนาไหนล่ะเจตนาที่เป็นเหตุให้พูด หรือเจตนาไปคิดหรือเจตนาที่ไปทําทีนี้คิดอะคิดถึงอารมณ์อะไรทําไปทําอะไรพูดไปพูดอะไรเนะ่ยเจตนาที่นําเกิดอะจะมีอันเดียวเท่านั้นแหละที่นําเกิดส่วนที่หรือที่นำเกิดในปฏิสนธิการนะแต่ว่าเจตนาอื่นๆก็ให้ผลในประวัติการเช่นให้ผลเป็นจิตเห็นอย่างไง น, นะให้ผลเป็นจิตได้ยินให้ผลเป็นจิตรู้กลิน่นให้ผลเป็นเนี่ยลมเย็นๆพัดมาเนี่ยนะกายวิญญาณเกิดก็เป็นผลส่วนหนึ่งของเจตนา แต่เจตนาที่มาให้ผลเนี่ยนะสามารถเป็นดวงที่สองถึงดวงที่เจ็ดก็ได้ถ้าดวงที่เจ็ดก็ปแปล ว, ว่าเป็นของชาติที่แล้วถ้าดวงที่สองถึงดวงที่6ก็อาจไม่แน่แสนโกดกับที่แล้วก็เป็นได้เนี่ยแล้วเมื่อให้ผลในประวัติการแล้วเนี่ยเจตนานั้นหมดไหมครับให้ผลแล้วในประวัติการนะครับมันสามารถให้ผลซ้ำๆได้เป็นแสนครั้งเนี่ยนะนนคือเจตนาให้ผลเนี่ยนะเกินกว่าตัวเองเนี่ยมหาศาล ให้ผลในประวัติการไปเรื่อยๆหรือว่าให้โอกาสเป็นปฏิสนธิการด้วยเขาก็สา ม, มารถให้ได้ทั้งปฏิประวัติการและปฏิสนธิการอย่างเช่นทําให้ไปเกิดในสุขติห้าร้อยชาติไงนะอย่างเขายกตัวอย่างว่าทําพุทธบูชาครั้งเดียวเนี่ยให้เกิดในสวรรค์เท่านั้นครั้งทําให้เขาเกิดเป็นเทวดาเท่านั้นครั้งให้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเท่านั้นครั้งเป็นต้นอ่ะก็แสดงว่าเจตนาครั้งนั้นเนี่ยมันให้ผ ล, ลหลายๆครั้ง ไม่ใช่ให้ผลแค่ครั้งเดียวก็ชวนะหลายดวงชาวนะหลายดวงอย่างคนที่ทําบาปเนี่ยนะทําครั้งเดียวไงมันก็บาปตั้งนมนานอ่ะอย่างพระมหาโมคคลานะเนี่ยนะก็ที่ท่านทุบศีรษะมารดาของท่านบิดาทุบศีรษะมานาบิดาตายเนี่ยนะก็บอกว่าหลังจากนั้นมาไม่มีชาติไหนที่ไม่ถูกทุบก่อนตายเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกชาตินี่หัวยุบตายหมดเลยผลที่ที่ไปฆ่าทุบตีพ่อแม่ตายเนี่ยนะ ก็ไปคุยเอาไปแล้วกันพวกคนงานได้มีแต่งงานก่อนเลยอ่ะอดีตชาติอ๋ออดีตชาติคือไอ้กรรมที่เคยทําเมื่อหลายๆชาติที่แล้วน่ะเพราะฉะนั้นอพอเกิดมาชาติไหนก็ทุบท้ายใกล้ตายเนี่ยถูกทุบหัวตายหมดเลยทุกชาตินั่นนะอาจจะเป็นพวกพอมาเกิดเป็นประชอดอย่างนี้ใช่ไหมทุบหัว ในคาถาเนี้กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่นนะคำว่าผู้คงที่เนี่ยนะหรือเป็นผู้มั่นคงเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงหรือจึงจะเรียกว่าเป็นผู้คงที่จริงๆนะควรจะแค่ไหนภาษาริบุตรท่านนิเทศไว้ในสารีปุตตะสุตตะนิเทศที่16เนี่ยนะข้อ896กล่าวว่าคําว่าผู้คงที่ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ โดยอาการห้าเนี่ยนะค่คงที่นะอย่างหนึ่งเป็นผู้คงที่ในอิทถารมและอนิถารมคือคงที่ในอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ยหนึ่งกนะ็ 2. เป็นผู้คงที่เพราะอัาว่าสละแล้วสเป็นผู้คงที่เพราะอัาว่าข้ามแล้วสเป็นผู้คงที่เพราะอัาว่าพ้นแล้วห้า เป็นผู้คงที่เพราะอัตถาว่าแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆจะอธิบายโดยลําดับว่าข้อหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิถารมเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คงที่แม้ในลาบเนี่ยนะแม้ในเสื่อมลาบนนะก็คือคงที่ในโลกธรรม นะเป็นผู้คงที่แม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศเป็นผู้คงที่แม้ในสันเสริญแม้ในความนินทาเป็นผู้คงที่แม้ในสุขแม้ในทุกเนี่ยนะโลกธรรมเนี่ยนะมีมีมประการนะสายดีมีอะไรบ้างลาบยศสันเสริญแล้วก็ความสุขเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายดีเมื่อได้รับลาบยศสันเสริญและสุขเนี่ยนะโดยทั่วๆ่วไปแล้ววิถีจิตจะต่อด้วยอะไร ธรรมดานะปกติของคนไม่ได้ฝึกต่อด้วยโลภะซสะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะคนที่โลภะเกิดขึ้นในในอิทธารมเหล่านี้นะคือไม่ว่าจะลาบยศสรรเสริญหรือสุขพวกนี้ก็ชื่อว่าหวั่นไหวและเอียงไปสุดข้างหนึ่งแล้วนะแล้วพวกที่ได้รับนะเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับนินทาแล้วก็ได้รับความทุกข์เนี่ยนะโดยทั่วๆ่วไปแล้วเป็นโทสะ เนี่ยนะโทสะก็เอียงอีกข้างหนึ่งมันกันทีนี้ทําตัวเฉยๆเลยใช่ไหมทำตัวแบบพระอุเบกเอาพระเตมีใบ้เลยนะใช้ก็ใช่อย่างเร็วอย่งนั้นเนีย่ยไม่ใช่เฉยอย่างนั้นนะแต่หมายถึงคนที่รอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีอ่านะถ้าถือโดยสุภาณิมิตเป็นโลภะใช่ไหมในอารมณ์นั้นอ่ะนะถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตเป็นโทสะถ้าอุเบคานิมิตโดยทั่วไปก็เป็นโมหะ เพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องรอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีว่างั้นเถอะวิจัยอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีอันนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ น, นนะหรือว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะคำว่าไม่หวั่นไหวหรือเป็นผู้มั่นคงในที่นี้อนุภาพของปัญญาเนะนี่ยนะอนุภาพของปัญญาทำให้ไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่เพราะยาชาว่างั้นยาชาก็เลยทำให้กระเดกไม่ได้เลยมันมั่นคงมากไม่ใช่อย่างนั้ น, น, นทีนี้จะอุ ป, ปมาว่า หากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไร้พระพาหาข้างหนึ่งคือนะแขนของพระองค์ะนะแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องหอมเอาน้ำหอมอย่างดีมารูปแขนซ้ายหมดแล้วก็พึงถากพระพาหาอีกข้างหนึ่งด้วยมีดเนี่ยนะมีดมีดโกอีกข้างหนึ่งมาแล่เนื้อทิ้งหมดเลยราั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่ทรงยินดีในการรูปไร้ด้วยเครื่องหอมโนนและไม่ทรงมีความยินร้ายในการถากด้วยมีดโนน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละความยินดีและความมีนร้ายเสียแล้วทรงเล่องเลยความยินดีใจและเสียใจแล้วทรงก้าวล่วงความพอใจและความพิโรธเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมอย่างนี้เนี่ยนะเั้นใจมั่นคงขนาดนี้จะไปแอบทําชั่วได้ที่ไหนอะนะนั้นแอบทําชั่วไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะเหตุให้คิดไม่ดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ละได้หมดแล้ว ทีนี้ที่สองนะพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะอัฏาว่าสละแล้วเนี่ยนะคงที่เพราะสละแล้วคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละครนะสละก็น่าจะเข้าใจนะท่านบอกว่าใครอีกนะปล่อยละสละคืนราคโทสะโมอนะโมหะ ความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงว่างั้นเหรอหลอกละความหลอกลวงอะนี่ความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอะกุศลาพิสังขารทั้งปวงอะกุศลและอภิสังขารนี่นะพระองค์นี้ สละคายปล่อยละสละคืนทั้งหมดไปแล้วพระผู้มีพระภาคเชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วอย่างนี้สละบาปทุกชนิดเห่ือนั้นเด่หนึ่งอย่างหนึ่งก็คือสละกรรมที่นำไปสู่การเกิดในภพใหม่ทุกชนิดเนี่ยนะ น, นี้ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัฏฐาว่าสละแล้วส่วนในยะที่สมพระองค์ชื่อว่าผู้คงที่เนี่ยนะเพราะอัาว่าข้ามแล้วถามว่าเป็นอย่างไร เป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วเนี่ยนะหมายคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามคือข้ามขึ้นก้าล่วงก้าล่วงด้วยดีล่วงเลยแล้วซึ่งกาโมคะพะโวคะทิทโถโขฆะและอวิชโคะเนี่ยนะเรียกว่าข้ามโอฆะสีได้แล้วที่ที่โอฆะข้ามด้วยมักไหนนะมักเนี่ยอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชื่อของสะพานนะเสตุเนี่ยนะเป็นชื่อของสะพานเนี่ยอริยมักเนี่ยเป็นเหมือนกับสะพาน สะพานคือโสดาปฏิมักข้ามทิโถโขคะสะพานคืออนาคามีมักเนี่ยข้ามกามโมคะสะพานคืออรหัตมักข้ามภวโะและอวิชโขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยข้ามโอค่ะสี่ด้วยสะพานคืออริยมักเนี่ยนะและคลองแห่งสงสารทั้งปวงพระองค์เนี่ยละคลองแห่งสงสารคือการดําเนินไปในสงสารเนี่ยพระองค์เนี่ย ละหมดแล้วคลองแห่งสงสารเนี่ยนะละได้ยังไงโสดาปฏิมัคเนี่ยนะละสงสารในภพที่แปดเป็นต้นไปนั้นภพที่แปดของพระโสดาบันนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นกระแสะสังสารวัฏถูกตัดตั้งแต่โสดาปฏิมักนะตัดภนะพที่แปดไม่มีถ้าพระสกะทาคามีเนี่ยนะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวฮะไอที่เกินไปนั้นถูกตัดไปหมดแล้วถ้าพระนาคามีตัดจนไม่มาสู่ภพนี้โดยการปฏิสนธิอีกเลยถ้าเป็นพระ่าหัน ไม่ปฏิสนธิในภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก้าวล่วงคลองแห่งสังสารวัตทั้งปวงอย่างนี้หมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์เนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมจรรย์นี่มีกี่อย่างนะพรหมจรรย์มีสองอย่างหนึ่งศาสนพรหมจรรย์สองมรรคพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศาสนาพรหมจรรย์ใช่ไหมพราะพระองค์ไม่ได้รับคําสอนมาจากใครเพราะฉะนั้นพระองค์มีแต่เฉพาะ มัคคพรหม ajan เ น, นี่ยนะเพระองค์นี้ประพฤติมัคคพรหม a รย์จบแล้วแต่ถ้าพระสาวกทั่วๆไปเบื้องต้นต้องมีศาสนาพรหม a รย์ก่อนศาสนาพรหม a j a ์เป็นชื่อของไตรสิกขานะอธิศีนอธิจธิตอธิปัญญานี่ชื่อว่าศาสนาพรหม ajan สิกขาสามบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่ามัคคพรหม a รย์อันนี้พระพุทธเจ้าอยู่สําเร็จมัคคพรหม a j a ์แล้วและก็ประพฤติจารณะแล้ว จรณะมี15นะเดี๋ยวจะศึกษากันต่อไปนะคือศีลสังวรอินทรีย์สังวโรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยก น, นะอะไรอีกศรัทธาศีลเออศรัทธาฮิริโอตตา ป, ปะพหูสูตรเนี่ยนะสติวิริยะปัญญาแล้วก็ปทมชาญทุติยชานตาติยชาญและก็จตุทชาญเนี่ยนะอันนี้จารณะเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเครื่องดําเนินไปสู่พระนิพพานเนี่ยพรองประพฤติแล้ว ดำเนินถึงทางไกลแล้วดำเนินถึงทิศแล้วดำเนินถึงที่สุดแล้วรักษาพรหมจรรย์แล้วทรงบรรลุอุดมทิฐิแล้วเนี่ยนะถึงทิฐิที่สูงสุดหรือว่าสุดยอดเนี่ยนะโดยเฉพาะทิฐิระดับอรหัตผลหรือว่าสัพพัญญุตยานเนี่ยนะเจริญมัชแล้วเนี่ยนะมัชทั้งหมดเนี่ยพระองค์เจริญบริบูรณ์ละกิเลสแล้วมีการแทงตลอดไม่ได้กำเริบเรียกว่าอกุปปาเจโตวิมุตติเนี่ยนะ เป็นความหลุดพน้นเป็นความเข้าถึงแบบไม่กำเริบถามว่าโสดาปฏิผลดนี่ยังกำเริบไหมโสดาปฏิผลดกำเริบไห ม, มกำเริบเพราะว่าถ้าอน า, าสกัตถคามีมัคสกัตถคามีผลเกิดอันนี้ก็กำเริบแล้วพราะมัคที่เหลือเนี่ยนะยังกำเริบอยู่อรหัตมัคยังกำเริบเพราะยังมีอรหัตผลอีกแต่ถ้าอรหัตผลเนี่ยไม่กำเริบเพราะไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยถึงสุดถึงสุดยอดแล้วเพราะพระองค์บรรลุธรรมะที่ไม่กำเริบแล้วเนี่ยนะ มีนิโรธอันทาให้แจ้งแล้วเนี่ยนะนิพพานเนี่ยนะทให้แจ้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดรู้ทุกละสมุทัยเจริญมักทรงกระทำให้แจ่มแจ้งซึ่งนิโรธอันนะทรงรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทรงกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ทรงละธรรมะที่ควรละ ทรงเจริญธรรมะที่ควรเจริญทรงทําให้แจ้งธรรมะที่ควรกระทําให้แจ้งอันนี้ก็ห้าคำใช่ไหมอภินยยธรรมสองปริญยยธรรมสามปหาตประธรม 4, รมสี่สัชกาตประธรรมห้าพาเวตประธรรมเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงถอนอวิชชาอันเป็นดุลลิ่มสลักออกแล้วเนี่ยนะถ้าถ้าพูดถึงลิมสลักเนี่ยนะพูดถึงประตูเมืองสมัยโบราณน่ยนะ เขาใช้ริ่มสลักใช่ไหมถ้าถ้าลงกรอนนี่นะไม่มีใครสั่งเปิดได้แม้แต่พระราชาถ้าพูดถึงเมืองโบราณนี่นะถ้าเขาลงกรอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสั่งเปิดได้เพราะฉะนั้นไอ้ริ่มอันนี้สําคัญมากสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีริ่มสลักอันนี้คืออวิชานี่นะแทงเอาไว้แล้วนี่ก็ยากที่จะถอนได้อวิชามันแทงไว้ตรงไหนบ้างอ่ะมันมันเป็นลิ่มมันปักไว้ตรงไหนบ้างสมมุติว่าถ้ามันเหมือนเข็มหมุดอ่ะนะมันปักอยู่ส่วนไหนบ้างหรือมันปักทั้งตัว นาา ญ, ญนะาาญญไม่ใช่อย่างนั้นเนปักตั้งกับหัวจรดเท้าเลยแหละ น, นะก็ไม่มีถอนออกจากถอนถ้าถอนออกจากเส้นผมนเน่ยเออเกษาเกษาสมุไทยใช่ไหมถ้ามันถอนออกมันต้องแพงแบบนั้นต้องตแตสรู้แบบนั้นไม่ได้ถอนเลยนั้นปักอยู่ที่ผม อ, อวิชาปักที่ผมอวิชาเนี่ยปักอยู่ที่ที่ขนคิว้วเออเนอโลมาโลมาสมุไทยโลมาเนโรดมันก็ปักไปอีกไม่เห็นอีกอ น, นะปักที่ไหนอีกปักที่ ผิวหนังอย่างเงี้ยก็ปักเอกพอมองไม่เห็นอริยสัจในส่วน น, นั้นนนั้สรุปแล้วมันปักหมดเลยมันอันนี้มันเป็นเหมือนลิ่มสลักนะนปักไว้มันเหมือนสกัดจุดเอาไว้นะครับวิชาไม่ให้ไปไหนหรอกทรงเรียรายกรรมอันเป็นดังคูเสียแล้วเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับคูล้อมเมืองอันนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทาลายคูหรือถมคูเนี่ยเต็มหมดนะทรงถอนตานหาอันเป็นเหมือนเสาระเนียดขึ้นแล้วนะคือคือสมัยก่อนกําแพงเมืองเขาใช้เสาใช่ไหม เสามาปักปักปักปักเนี่ยนะเสาใ ห, ใหญ่มาปักอัน น, นก็ตันหาที่มากขนาดนี้ก็ถอนหมดแล้วไม่มีสังโยชตเป็นเหมือนบานประตูแล้วเนี่ยนะสังโยตเนี่ยเหมือนประตูเข้าเมืองเหมือนกันประตูปิดเปิดเนี่ยนะทำลายเรียบร้อยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกมีมาณะเป็นดุจธงอันตกไปแล้วปรงภาระเรียบร้อยแล้วปรงอะไรภาระเนี่ยนะปรงขันธภาระเรียบร้อยแล้วกิเลสภาระ เป็นต้นเนี่ยนะปล o n เรียบร้อยหมดไม่มีโยคากิเลสคือไม่ได้เกี่ยวข้องโยคามี4ี่นะกาหมโยคะภวะโยคาทิฏฐิโยคาวยคยคอาวิชายคะเนี่ยนะโยคากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องประกอบนี่ถอนหมดอันนะั้นมีองค์ห้าละได้แล้วเนี่ยนะเฉพาะนิวรนเป็นต้นเนี่ยละหมดแล้วประกอบด้วยองค์หมีสติธรรมะเอกเป็นเครื่องรักษานะมีธรรมะเครื่องอาศัยสี่มีทิฏฐิสั จ, จะเฉพาะอย่างหนึ่ง อันทรงบรนเทาเสียแล้วเนี่ยนะคือทิฏฐิทุกอย่างเนี่ยละหมดมีการสแสวงหาอันชอบไม่ย่อหย่อนประพฤติประเสริฐมีความดําริไม่ได้ขุนมัวมีกายย่สังขารอันระ ง, งับแล้วมีจิตพ้นดีแล้วมีปัญญาพ้นดีแล้วเป็นผู้มีความบริบูรณ์มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเป็นอุดมบุรุษเป็นสุดยอดบุรุษเป็นสูงสุดนะเป็นประมะบุรุษบรมเนี่ยแปลว่าสูงสุดนะ ถึงความบรรลุอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมิได้ก่อคือไม่ได้ก่อโลภะขึ้นเลยแล้วก็มิได้กําจัดกําจัดดํารงอยู่แล้วมิได้ละมิได้ถือมั่นละแล้วดํารงอยู่แล้วมิได้เย็บมิได้อยากนะเย็บแล้วดํารงอยู่เนี่ยนะคือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องก่อพพใหม่เป็นต้นของพระองค์ไม่มีแล้วพระองค์มิได้ดับมิได้ให้ลุกดับแล้วดํารงอยู่ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปดับสมูทัยอีกเลยนะถามว่าทําไมอะ่ะเพราะละไปดับไปเรียบร้อยแล้วพระ อ, องค์จึงไม่ต้องทำดับอีกไม่ต้องปฏิบัติเพื่อดับเพราะดับเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้ก่อให้มันลุกขึ้นอีกนะเนีย่ยนะเพราะพระองค์นี้ดับหมดแล้วดํารงอยู่เฉพาะเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันขันตัวนี้เนี่ยนะแปลว่ากองแปลว่าคุณก็ได้แต่ว่าเรียกว่าคุณคือศีลขันตรงนี้แปลว่าคุณแต่ว่า ทีรีกอีกอย่างหนึ่งว่าขันเพราะเยอะไม่ได้มีหน่อยเดียว น, นะหลังศีละขันเนี่ยศีลเยอะแยะไปหมดเลยสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติญาณทัศน์นขันอันเป็นอเสขะแทงตลอดอริยศาสตร์แล้วดํารงอยู่ก้าวล่วงตันหาอย่างนี้แล้วจึงดํารงอยู่ดับไฟคือกิเลสแล้วดํารงอยู่ดํารงอยู่เพราะไม่ต้องไปยึดถือเอายอดชัยแล้วดํารงอยู่ดํารงอยู่ในความซ่องเสบวิมุติ ดำรงอยู่ด้วยความเมตตาพระพุทธเจ้านี้ดำรงอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือดำรงอยู่ด้วยพรหมิหารดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดำรงอยู่ในความเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างด้วยตันหาตันหานะ่ะเป็นตัวที่ทําให้กระด้างวังนั้นจิตเนี่ยกระด้างเพราะตันหาเพราะทิฏฐิมานะแต่พะองค์ไอความกระด้างแบบนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์ดำรงอยู่ใน ผู้หลุดพ้นดำรงอยู่เป็นเพราะเป็นผู้สันโดษดำรงอยู่ในสุดรอบแห่งขันนะอยู่ถึงที่สุดรอบแห่งขันอายตนะคติที่สุดแห่งคติที่สุดแห <Yes. ่งอุบัติที่สุดแห่งปฏิสนธิที่สุดแห่งพบที่สุดแห่งสังสาระที่สุดแห่งวัตตะดำรงอยู่ในพบอันมีที่สุดดำรงอยู่ในอัตภาพอันมีที่สุดดำรงอยู่ในร่างกาย อันมีในที่สุดสมจริงนังคาถาที่ท่านประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีภพนี้เป็นที่สุดมีอัตภาพนี้เป็นทีหลังว่า ง, งั้นเถอะโคหามัสมิโลกัสะเชตโธเซโธหมามัสมิเนี่ยนะหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นอะ น, นะเป็นผู้สูงสุดเลย ว, ว่า ง, งั้นเขาบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตติชาณิปุนัพภวนเนี่ยนะ การเกิดขึ้นในภพใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปที่จริงเนี่ยท่านปฏิญาณตั้งแต่แรกเกิดใหม่ๆด้วยซ้ำไปแทงตลอดว่าภพเนี่ยเป็นภพสุดท้ายของท่านเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นการนอนในคันเป็นต้นของท่านไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะท่านแต่ที่จริงแล้วท่านพูดตั้งแต่อายุคลอได้ไม่กี่นาทีนะตั้งแต่เดินไปทิศเหนือเนี่ยนะเดินแล้วก็แปล่งอาสติวาจาตรงนั้นอนะ่เะเพราะฉะนั้นก็ประกาศแล้วว่าชาติเนี้ยนอนในครันแบบนี้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเหมือนกัน่ะอันนี้ยพอละ ของเราพูดได้หรื อ, อยังจวน<ว>ไหนไดใครว่าจวนจวนจะนอนคันใหม่เนใครเนะจะเป็นแม่แน่นะนะจใจดีหรือเปล่าเนาะแต่มันก็เสมอเดือดขาดนะถ้าเราดูดูหน่อยก็ไปเกิดมปนแม่ดูดูเหมือนกันแม่เจ้าเนื้อใจดีทุกคนคแม่ชจาเนือนะใจดีทุกคน โอกานี้แสดงว่าอยากเกิดเหนือหนึ่งผมสังเกตดูนแม่ตามใจลูกอ๋อตรงที่ตามใจลูกไหมไม่ค่อยดูลูกเจ้าจ้าจะดีมากนะนะคุยกับลูกกับเจ้าเจ้าตลอดเลยเนาะโอการนี้ทํางตการเกิดนะก็มาเรียนชมรมอีกมาดำรงวงต่อยกัได้อีกหนึ่งนะว่า พระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่พระอถ า, าว่าพ้นแล้วนะในยะที่ที่สี่นะพ้นแล้วเพราะเนีย่ยนะชื่อว่าผู้คงที่พระพ้นแล้วพระทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพ้นแล้วพ้นวิเศษพ้นดีแล้วจากราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบลู่พูดในนี้ในหนึ่งก็คือพ้นจากอุปกิเลสหมดแล้วนะ ความลบลู่ความตีเสมอความริษยาความตะนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอากุสลาภิสังขารทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะอัตถาว่าพ้นแล้วอย่างนี้ผู้คงที่ในสุดท้ายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆนี่นะพระองค์นี้แสดงธรรมนั้นๆออกมาถามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีศีลในเมื่อศีลมีอยู่คือพระองค์มีคุณธรรมคือศีลนะพระองค์ก็แสดงศีลออกมาพระองค์มีศรัทธาอยู่พระองค์ก็เป็นผู้แสดงศรัทธาออกมาพระองค์มีวิริยะอยู่ก็แสดง วิริยะออกมาพระองค์มีสติอยู่ก็แสดงสติออกมาพระองค์มีสมาธิอยู่ก็แสดงสมาธิมาพระองค์มีปัญญาอยู่ก็แสดงปัญญามาพระองค์มีวิชาอยู่ก็แสดงวิชาสามออกมาพระองค์มีอภิญญา6ก็แสดงอภิญญาออกมาพระองค์มีทศพลยานคือมีกําลังก็แสดงทศพลยานกําลังทั้ง10บออกมาเพราะฉะนั้นพระองค์นี้แสดงศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิชาอภิญญา และทศพลยานเนี่ยนะออกมาว่างันพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่อาศัยผู้คงที่วางันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคงที่เนี่ยนะจึงไม่มีสถานที่อ่ที่รับในการกระทําบาปประกรรมทั้งหลายเนื่องจากท่านคงที่ขนาดนี้แล้ววางันอันนี้ก็ พระพุทธคุณบทว่าระหังนัยยะที่ห้าก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน